ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องมมคลสูตรต่อไปวันก่อนได้กล่าวถึงคำกราบทูลของเทวดาก็ที่จริงก็เป็นเทวดาคือคือเขาเรียกเทพ บ, บุตรหรือว่าเทวดาเนี่ย เทวดาที่จริงก็เป็นภาพ ร, มรวมๆอาจจะหมายถึงผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ว่าในที่นี้เขาเน้นที่เทพประวดถ้าเรียกแยกก็เรียกเป็นเทพบุตรเทพธิดาแต่ถ้าเรียกเทวดาในที่จริงก็ตามปกติใช้ภาพรวมแต่ว่าในกรณีนี้หมายถึงเทพบุตรดแล้ก็กราบทูลว่า เทวดาและมนุษย์เป็นนันมากปรารถนาความสวัสดีแต่คิดบงคลทั้งหลายขอพระองค์ได้โปรดบอกมงคลอย่างสูงสุดข้อนี้ลองสังเกตนะว่าสิ่งที่เทวดาและมนุษย์ต้องการนั้นก็คือความสวัสดีแต่ว่ามงคลเนี่ยเป็นเหตุได้เกิดความสวัสดี ความสวัสดีเป็นผลมงคลก็เป็นเหตุวันตอนท้ายของพระสูตรเดเรเราจึงพบข้อความที่ค่อนข้างแปลกคือว่าพระเจ้ารับสั่งแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายทำมงคลดังกล่าวมา น, นี้แล้วไม่แพ้ในที่ทั้งปวงถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นั้นเป็นมงคลอย่างสูงสุดของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดอาตมาได้เคยได้เรียงหนังสือเรื่องมงคลสูตรเนี่ยแต่เราเห็นว่าก็ใช้ชื่อนี้เยอะแล้วเลยก็เอาชื่อข้างหลังนี่มาใช้คือคําว่าสัพพัรมปราชิต า, ส, าสัพพะสุถิงกัตฉันตเนิเพื่อความสวัสดีในที่ต้องพวง เป็นหนังสือเล่มก็ไม่ค่อยหนาอะไรร้อยกว่าหน้าก็เผยแพร่แจกไปไปเยอะแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังสนใจที่จะอ่านก็สามารถติดต่อขอผ่านมาทางรายการนี้ได้นะครับ พอจากการสังเกตรายการนี้เวลามาตอบปัญหาวันอังคารเนี่ยก็มีคนสนใจฟังเยอะและที่น่าดีใจก็คือว่าผู้ฟังเป็นผู้ชายคือตามปกติเราไม่ค่อยพบผู้ชายฟังธรรมะ ก, กันเท่าไหร่แต่ในที่นี้ก็ฟังธรรมะ ก, กันมากพระพุทธเจ้าก็เริ่มแสดงเลย อเซวนาจะบาลานังปันธิตา น, นั้นจะเซวนาอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะก็คำว่าอาเซวนานั้นมันเป็นแนวอย่างหนึ่งที่เป็นการสอนธรรมะในแนวเอตัวตนของบุคคลหรือคํามาสอนที่จริงก็คืออากุศลนั่นเองก็ถ้าเราเทียบ เราเทียบกับโอวาตวปาติโมก็จะเห็นว่าเป็นการเว้นบาปบาเพ็ญบุญเป็นการเว้นบาปบำเพ็ญบุญแต่ว่าบาปแต่มันอยู่ในตัวคนผ่านแล้วก็บุญเนี่ยอยู่ในตัวบัณฑิตมันก็ทำให้เราเห็นว่าคนฟังเรื่องโอวาตวปาติโมกเนี่ยมีพื้นจิตสูงกว่าคนฟังโมฆรสุด เพราะว่าไม่ได้พูดที่รูปธรรมเดี๋ยวพูดที่ ท, ที่นามธรรมเลยพอเมื่อเรามองไปยิงเราก็เห็นว่าคนฟังคราวนั้นเป็นพาราหันพันสองร้อยห้าสิบรูปพังอวตปาติโมกแต่ความมงคลนี่เป็นปุตตุชนนะฮะเป็นเทวดาที่เป็นปุตุชนทั้งหลายทีนี้มันมีประเด็นที่ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะ คืออย่างที่บอกนะว่ามังกลัตตทีปณีเนี่ยเป็นเอกสารประกอบการศึกษาทรรมปฏิบัติธรรมของชาวพุทธเราสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลก็เรียกว่ารูปแ0ดร้อปีมานี้เราก็จะใส่คำพีเล่มนี้เป็นหลักในการเทศในการสอนในการเรียนหนังสือในการแปลงออกมาเป็น บทกลอนต่างๆส่วนมากเราก็ได้นัยยะมาจากเรื่องเหล่านี้เพราะจึมีนัยยะบางบางประเด็นที่น่าจะจะจำเอาไวน้นะฮะน่าจะกําหนดเอาไว้ว่า เ, เช่นสมมติว่ากริยาที่เข้าเฝ้าเวลาเข้าเฝ้าผู้ใหญ่เนี่ยคือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบ ในการขับเฝ้าท่านบอกว่าสำเร็จการยืนทีนี้จะตั้งปัญหาว่าควดจะยืนยังไงก็ยืนั่งก็ยืนก็ใช่นั่งก็ใช่ยืนก็ใช่แต่ว่าควรยืนยังไงตีแสดงให้เห็นว่าเรามีความเคารพอันนี้เลยกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นกริยามัญญา ที่เราก็นำมาสอนลูกหลานของเราเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้เว้นโทษการยืนในหกอย่างก็แรกก็คือยืนข้างหน้าที่ชิดเกินไปก็เลยยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ไม่แสดงความสมาคะลวะไม่แสดงความขรุ แล้วก็ยืนข้างหน้านักนะฮะยืนข้างหลังชิดก็ไม่ดียืนข้างหน้าชิดก็ไม่ดีได้ยืนในที่ใกล้ชิดก็ไม่ดียืนในที่ไกลเกินไปก็ไม่ดียืนในที่เหนือลมก็ไม่ดีและยืนในที่สูงที่สูงกว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ดี แนวตรงนี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะ ก, การเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับเราเข้าหาผู้ใหญ่ที่ไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นและแม้แต่ว่าไปเจริญกรรมฐานที่เกี่ยวกับซากศพไปดูซากศพเนี่ยก็สอนไว้อย่างนี้เหมือนกันจะสมมุติว่าเรายืนใกล้เกินไปเนี่ยมันจะโดนกลิ่นรบ ก, กวนสมมุติว่าไปเจริญอสุภกรรมฐานในป่าชาเนี่ยนะ ไกลเกินไปในกลิ่นจะรบ ก, กวนอยู่เหนือลมเนี่ยจะไม่เป็นที่พอใจของอมนุษย์อยู่ใต้ลมเราก็โดนปะทะกลิ่นทีนี้ถ้าหากว่าไปอยู่ไกลมองภาพไม่ชัดเราลงอหหลักทั้งหกประการเนี่ยเป็นข้อที่ควรเว้นในทุกๆ ก, กรณี เพราะว่ามันเป็นการเสียเสียกริยาหรือเสียมัญยาติมันก็อยู่ในสูตรของการพอดีว่ายืนข้างหลังจนเบียดหลังท่านเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเวลาเนี่ยพวกเราบพอทั้งหลายเนี่ยคือเราเห็นว่าบางทีเนี่ยยืนเบียดเกินไป สมมติว่าเหตุการณ์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นใครต้องการจะพุทธสลายคนที่ตัวเองรักษาเนี่ยถ้าเรายุดชิดเกินไป น, นี่ยุ่งนะนะเขาอยู่ข้างหลังเราแล้วเขาเสือกเข้ามาทางข้างหลังเราเนี่ยเราก็แย่แล้วเสือกมีดเข้ามาหรือเสือกอะไรเข้ามาเนี่ยผลการตรงนี้เลยกลายเป็นหลักการที่เป็นแบบอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดีในเมื่อเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพราะจะยืนข้างหน้านักก็ไม่ดียืนในที่ใกล้นักก็ไม่ดีที่ไกลนักก็ไม่ดียืนเหนือลมก็ไม่ดีอต่ในอย่างอย่างที่บอกมาแล้วเหนือลมเนี่ยในกรณีคนเนี่ยหมายความว่ากลิ่นตัวเรากลิ่นเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรของเราอาจจะรบ ก, กวนผู้ใหญ่ แล้วยืนในที่สูงในแสดงความไม่เคารพสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่กุฏิพระอยู่ที่กุฏิเนี่ยมีผู้ใหญ่เขามาท่านอาจจะพูดลงมาขึ้นมาจากข้างบนแต่เราไม่ตอบเราลงไปข้างล่างก่อนลงไปตอบข้างล่างแล้วท่านสวมรองเท้าอยู่เราก็สวมได้ แต่ท่านไม่สวมเราสวมเราต้องถอดรองเท้าติงต่อแผ่นคือยังนึกว่าบางชีเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกปลืออบรมเคยสเกตแม้แต่เด็กๆพวกหลานๆที่เขามาหาเนี่ยก็ไม่เคยสอนเขานะ ค, คือเราไม่อยากจุ้งที่ให้ คือมหาลุงลุ ง, ง, ง, ตงต้องไหวอย่างนั้นต้องเรียบร้อยอย่างนั้นเราไม่สอนนะไม่ยุ่งพราแม่ก็สอนเองไม่อยากจะไปสอนแต่ก็เห็นว่าเด็กเขาปฏิบัติต่างกันก็ตามแต่พ่อแม่เ็าสอนมาบางคนเรียบร้อยพูดพนมมือตลอดจริงๆเราก็รู้สึกว่าไม่รบกวนเด็กเกินไปแต่มันเป็นเป็ น, ปนการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี เป็นเมตตามานิยมเป็นมานเสนมานิยมซึ่งซึ่งเด็กเขควรจะมีเอาไว้ทีนี้ท่านท่านอธิบายว่าการที่เทวดาต้องรีบกราบในอย่างที่บอกว่าตามปกติแล้วเขาไม่ต้องการมาสู่โลกมนุษย์อันที่เขามาสู่โลกมนุษย์เนี่ยมาด้วยกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้า ลมนุษย์เป็นเป็นเรื่องปฏิกูลสำหรับเทวดาตั้งแต่ร้อยโยตเข้ามารัศมีร้อยโยต์กลิ่นเหม็นจะปรากฏอะเทวดาก็ไม่อภิรมยินดีในโลกมนุษย์เพราะนั้นเทวดาจึงไม่นั่งพอรีบกลับตอนสา ม, มัคีพรมมากราบถุนรัตนาพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเคยพบสา ม, มัคีพรมหลายครั้งนะว่าที่ท่านมฟาฟาพระพุทธเจ้าเนี่ยในที่หลายแห่ง มีวิธีต่างกันนะท่านมาถึงนั่งกระโยงประนมมือแล้วก็ทำผ้าเฉียงบาศแล้วก็กราบรงแทบบาทของพระพุทธเจ้าพระเจ็นลักษณะของหัวหน้ามคธายกเลยคือนั่งกระโยงประนมมือเอาผ้าเวียงบาศแล้วก็กราบลงด้วยเป็นจางกะพดิต นั่นแสดงว่าต้นแบบมันก็มาจากสามัคีพรมเคยสมัยเบียนหนังสืออาจารย์เจือจากสุรักษ์เนี่ยท่านสอนวรรณคดีไทยแล้วท่านสอนสุภาษิตพระร่วงก็ไม่เคยอ่านสุภาษิตพระร่วงเพราะอาจารย์เอามาสอนเพราะอาจารย์นี่ก็เอามาจากศาสนานะเนี่ย คือเราฟังนีเออว่าคนโบราณเนี่ ย, เ, เ, ยเขาเก่งเขาถอดออกมาเป็นภาษาไทยนะฮะทั้งๆ ท, ที่ออกมาจากบาลีแต่นั้นเลยในสุภาษิตพรร่วงเนี่ยท่านถอดออกมาหรือแม้แต่โลกนิษณนะถ้าเราโดยดีแล้วมันก็ถอดมาจากคำพีในพุทธศาสนาะแต่เวลาท่านเอามาสื่อท่านสื่อด้วยโครงเลย ก็ทํามง่ายต่อการอ่านการทำความเข้าใจแต่ยังนึกว่าน่าจะสื่อด้วยกรอนง่ายกว่าเพราะโครงมาทีมันก็เข้าใจา ย, ยากคนเราต้องเคยคุ้นเคยเคยอ่านเคยเรียนวิธีแต่งโครงจานกับกรอนมาแลว้วก็จะซึ่งแต่ถ้ากรอนเนี่ยคนทั่วไปก็เข้าใจทีนี้ประการต่อไปเนี่ยท่านท่านอธิบายถึงลักษณะการ การเข้าเฝ้าของเทวด า, วาเทวดายืนอยู่ในส่วนข้างหนึ่งแล้วก็หมายถึงถวยเทพทั้งหลายคือเทวดามารพรมหยุ่มยากทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าในหมื่นจั ก, กรวาลในนี้เป็นการอธิบายนะเป็นการอธิบายลักษณะาทางจั ก, กรวาลเนี่ยท่านอาจารจะอธิบายไว้ว่าเทวดาเหล่านั้นก็นิรุมิกายละเอียด คือไม่กินเนื้อที่ไม่กินเนื้อที่ก็แสดงว่ามันเกือบจะเป็นนามาทำไปเลยเป็นพลังเป็นพลังงานไปเลยแล้วเกาะกลุ่มกันท่านบอกว่าถ้าจริงๆเนี่ยแม้แต่เอาขนทรายสอดลงไปก็จะไม่ทบพบร่างเทวดาเนี่ยไม่มีแต่ทําไมเทวดาจํานวนมหาศาลที่มายืนอยู่ในที่เหล่านั้นได้ ก็บอกว่ามันเป็นเป็นอะไรความสําเร็จโดยกําเนิดนะเป็นความสําเร็จโดยกําเนิดของเทวดาดังนั้นจึงมีการกราบทูล น, นะฮะกราบทูลถามปัญหาดังกล่าวทีนี้ลักษณะเหล่าเนี้มันตั้งอธิบายในรูปของจารีตในรูปของจารีตในรูปของธรรมเนียมต่างๆเช่นว่า ในอะไรในเ ว, เวสเซนดอนนะในระเวสเนดอนเะนี่ยก็จะมีการกล่าวนำเช่นว่าข้าแต่พระฤาษีเจ้าขอพระองค์จงทรงเลือกพอรเถิดหม่อมฉันจะถวายพรแปดประการแด่พระองค์นะเป็นเรื่องที่เป็นลักษณะโครงสร้าง อยู่ในกา ร, รันแหละอยู่ในการศักะบันศักกะบันของของเรื่องมหาชาติมหาชาติทีนี้ประเด็นของมงคลก็มาเริ่มตรงนี้อาเสวนาจะบาลานังคือเวลาทรงแสดงจะทรงแสดงเป็นชุดชุนะเป็นชุดชุด มันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งถ้าเรามองในวิชาการศึกษาในปัจจุบันที่เราพูดว่ามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือคนกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยถตาท่า่งาได้อ่านเรื่องวุธิธรรมสี่หรือจักสี่หรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเราจะพว่าพระเจ้าเองให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมไปมาก แม้แต่การสร้างวัดเนี่ยเพื่อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอือ้อต่อการทำใจสงบการดีกเกรนอยู่ในที่ต่างๆการอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้าในที่ห่างไกลจากชุมชนเนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้วถ้าเรามาดูศีลสี่ข้อหลังนะฮะสี่ข้อหลังในศะีลแปด สินแต่ที่จริงสีข้อนะฮะข้างหลังแต่ว่าเป็นการยุบรวมข้อนัจคีกับมาลาด้วยกันก็เลยกลายไปข้าจสามคือตางความจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องปรับสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการรักษาศีลนี่ประนีดขึ้นเพราะว่าศีลแปดเรียกว่าศีลพรมจันข้อที่สห้ามการมีเพศสัมพันธ์ แต่ในขณะเดยียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเป็นอาคาลยาวินัยคือวินัยของชาวบ้านคือยังมองบางครั้งบางคราวญาติโยมหลงประเด็นตรงเนี้ยคือไปคิดว่าต้องปฏิบัติให้เหมือนกับกับพระกับพิษุณีคือถูกต้องเพศตรงกันข้ามไม่ได้นะคุณย่าคุณยายคุณแม่คุณป้าอะไรต่ออะไรเนี่ย รักษาศีลอุโบสถแล้วก็ไล่แต่เพิดลูกหลานที่เป็นชายแม่เข้าใกล้ฝ่ายผู้ชายคุณปู่คุณตาคุณลงุงคุณพ่อก็ไล่ลูกหลานผู้หญิงอันนี้ยุ่งอะ่ะมันทำให้เด็กเกิดอคติต่อพระพุทธศาสนามันรู้สึกว่าศาสนาแย่งแย่งคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายตัวเองไปตอนเช้านี่อยู่ดีๆกันเนี่ยทาไมกลับมาอยังเป็นอย่างนี้ไป แสดงมาวัดเนี่ยมีปัญหาวันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือจับต้องอะไรกันได้เรียบร้อยจะอุ้มลูกอุ้มหลานว่าไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรตัวโตตัวตุตัวใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเกิดตัวโตมก็คงไม่ไปอุ้มไปกอดอะไรกันหรอกก็ตามปกติก็ไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กก็ยังอุ้มยังกอดอะไรได้อยู่ก็ปกติไม่ได้ว่าอะไรเป็นอาคาริยวินัยวินัยของผู้ครองเรือน มันเป็นพลังที่จะให้ความอบอุ่นแก่เด็กเพราะเราอยู่ในศีลเด็กได้สัมผัสที่แปลกแล้วจะทึ่งจะเกิดสนใจในศาสนาในที่สุดมันก็เป็นพลังที่จะดึงดูดลูกหลานก็สู่ศาสนาเพราะานั้นไอ้สภาพแวดล้อมคือเราเองกลายเป็นตัวสภาพแวดล้อมของคนใกล้เคียงด้วยแล้วในขณะเดียวกันเราก็สร้างสภาพแวดล้อมเช่นว่าไม่รับประทานอาหารในตอนเย็น ตอนเวลาวิการหลังเชียงนะครับไม่พรวนำขับร้องระคมดนตรีดีสีตีเป่าฤดูการแสดงต่างๆกันเล่นต่างๆไม่ประดับประดาร่างกายให้เกิดความสวยงามเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุน้นอารมณ์คือการมาราค่าขึ้นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจแล้วก็ไปนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำรีบาลีพูเฉพาะไม่นอนนะฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั่ง อุจายสยนะแปรววาที่นอนสูงมหาสยนาแปรววาที่นอนใหญ่เวรมณีงดเว้นนะฮะเพราะงั้นตรงนี้ที่จริงแล้วเป็นเป็นการงดเว้นจากสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นการมราคะให้เกิดขึ้นไปในจิตใจแล้วพอได้กระตุ้นเสริมเนี่ยกามมันเกิดจากความดำบริ พอทำบุญบ่อยมันจะรักษาศีลไม่ได้ท่านก็ไปป้องกันไว้ในตอนต้นหลักเหล่านี้มันก็จะปรากฏอยู่ในที่ต่างๆปรากฏในรูปวินัยของพระนี่จะมากนะฮะคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบุคคลที่แวดล้อมเพราะงั้นอุดมมงคลในที่นี้ชุดแรกเนี่ยจึงทรงแสดงไว้สามข้อ เสวนาจะบาลานังปัณฑิตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกลมุตตังชุดแรกสามข้อนะฮะการไม่ครบผา น, นึงการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งทั้งสมประการนี้เป็นอุดมมงคลทีนี้ปัญหาว่าผานนะฮะลักษณะของคนผาน คืออย่าลืมว่าบางทีเวลาเราพูดเนี่ยคือเรามองมองแบบเหมาโหลเหมาโหลมันก็มีปัญหาเพราะว่าผู้สนาจริงๆท่านดู่ที่การกระทำหมายความว่าคนจะเป็นบัณฑิตหรือเป็นพานอยู่ที่การทำการพูดการคิดน มันไม่ใช่เป็นตำแหน่งแต่ว่าเป็นกรรมคือเป็นการกระทำเป็นปกติวิสัยเป็นลักษณะนิสัยของเขาเป็นคนกระทาชั่วอย่างต่อเนื่องก็เป็นผ่านทำชั่วบางกรณีก็เป็นผ่านในกรณีนั้นทำดีอย่างต่อเนื่องก็เป็นบัณฑิตทำดีในบางกรณีก็เป็นบัณฑิตในกรณีนั้น ซึ่งก็หมายความว่าโอกาสสลับกันไปสลับกันมานี่ได้คนผ่านที่จุดหนึ่งท่านอาจจะทําแบบบัณฑิตก็ได้ในขณะนั้นท่านก็เป็นบัณฑิตตัวบัณฑิตในบางขณะรู้อารมณ์แก่ตัวเองแล้วก็ไปทําแบบผ่านท่านก็เป็นผ่านโดยการกระทําในขณะนั้นลัทศนาเป็นกรรมวธิธีแล้วก็เป็นปริยะวิธี ประเด็นแรกเนี่ยคือคำว่าไม่ครบเนี่ยกรอบมันอยู่ตรงไห น, นท่านอธิบายว่าการไม่ครบความไม่มีคนผ่านนั้นเป็นเพื่อนความไม่เข้าวพวกโดยคนผ่านนั้นที่ว่าไม่เสพตกลงว่าไม่ร่วมหลักความคิดไม่ร่วมกิจกรรมไม่ร่วมผลประโยชน์กับคนผ่านท่านใช้คำว่าอาเศวนานะอาเศวนาที่จริงคือไม่เสพ เลยมังฟังยากอะ่พะพอเราท่านเสพแล้วมหมายถึงกินเราก็บอกไม่คบอย่าคบอย่าคบผ่านแต่บาลียึงนันชชากรรมเสพนะให้เราตั้งเกตว่าตั้งแต่ปฐมเทศนาทรงทรงใช้กรรมเสพตะเวเมเมขเวอันตาปปยิเตนะนะเสวิตตบาไม่เสพนะสิ่งสองประการที่ปรญญาชิตไม่ควรเสพอันนั้นเป็นลักษณะการปฏิบัติ แต่ตัวนี้เป็นลักษณะของการคบหาหมายความไม่ครบคือไม่มีคนผ่านนั้นเป็นเพื่อนไม่มีคนผ่านเป็นพวกไม่ไปไหนมาไหนไม่ร่วมความคิดไม่ร่วมกิจกรรมไม่ร่วมอยู่ไม่ร่วมกินไม่ร่วมไปไม่ร่วมเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ยอมสงเคราะห์อนุเคราะห์นะฮะเพราะคนผ่านยังไงเราก็ต้องสงเคราะห์เขาต้องอนุเคราะห์เขา เพราะถ้าบัณฑิตก็ทอดทิ้งคนพานแกก็เว้งัฮะแกก็ไม่มีที่ไปและในสุดก็อาจจะเป็นคนพานมากขึ้นการต้องครอบคนพานเขาไม่ได้ว่านะเขาห้ามแต่ว่าเราอย่าเป็นอย่างที่เขาเป็นอย่าทำอย่างที่เขาทำอย่าคิดอย่างที่เขาคิดส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้ว่าอะไรเชนะ่นเราให้แกคนพานเนี่ยเราทำบุญเขาก็ได้รับการได้รับวัตถุ เราได้เราได้รับบุญรับความสุขที่ช่วยเหลือคนผ่านทีนี้เกณฑ์กำหนดมาตรฐานเนี่ยคืออย่างที่ได้พูดถึงวิถีแห่งความเป็นมนุษย์ไว้ในซีดีโดยการสนับสนุนของมาวิทยาศรีปทุมกับผลเอกเสรีปุกมานั่นคือคือ อกุศลกรรมบุเนี่ยแต่ว่าที่พูดผูดก้กุศลกรรมบุเราพูดวิธีของความเป็นมนุษย์เพรา ะ, ะอากุศลกรรมบุตเนี่ยเป็นวิถีดําเนินไปของคนโง่คืออกุศลนี่คือโง่คือไม่ฉลาดแต่เราสังเกตสรุปง่ายๆเนี่ยคือทําผิดพูดผิดคิดผิด เพราะ drink, sponsor, ว own, people, them, people, classics, ่าการกระทาก็เบียดเบียนตนเองน่ะเดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลเดือดร้อนการพูดก็เบียดเบียนตัวเองน่ะเดือดร้อนเบียดเบียนบุคคลเดือดร้อนการคิดเราเดือดร้อนนะฮะคนอื่นอาจจะยังไม่เดือดร้อนแต่ข้อที่น่าสังคิดน่าสังเกตลึกลงไปกว่านั้นก็คือว่าในอกคุสนกำบลดซึ่งถือว่าเป็นมาตรวัดความเป็นพานเนี่ย ว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณก็เป็นผ่านแต่วันใดที่คุณไม่เป็นอย่างนี้คุณก็เป็นบัณฑิตเพราะมันเหมือนกับถ้าไม่ไปทางซ้ายเราก็ไปทางขวาไม่ไปทางขวาเราก็ไปทางซ้ายเราก็ไปทางใดทางหนึ่งแต่นี้อกุศลเนี่ยเวลาเราพูดส่วนใหญ่โดยจะพูดเพียงสั้นๆนะฮะ พูดปานาทิปาตาเวรมะเอมีปาณาธิปาต า, ป า, าเป็นผู้ที่ทำลายสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปแต่วนนที่เป็นอกุศล น, นี้ที่จริงมันจะลึกกลงไปถึงจิตหมายความมาฆ่าสัตว์เองใช้บุคคลอื่นฆ่ายกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าแล้วก็ยินดีในสิ่งที่ถูกฆ่าแล้วก็คนฆ่า คือชื่นชมกับคนค่าเอาก็จริงๆตัวนี้เราก็สอบไม่ค่อยผ่านนะเพราะอะไรเพราะว่าโดยวิถีทางสังคมเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองอะในขณะที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองในความเป็นการเมืองมันก็มีเรามีเขามีพวกเราพวกเขา มีปัญหาใหญ่ทางการเมืองก็คือปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะเราเห็นว่าถ้ากระทบอย่างอื่นเนี่ยพอทำเนาแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกระทบต่อความสงบสุขของสังคมมันสูญเสียความมั่นคงในด้านการทหารทีนี้เพื่อจะทํารงารักษาความมั่นคงด้านการทหารถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องลบ ที่เาเรียกว่าเป็นการฆ่าเพื่อยุติการฆ่าหรือเพื่อหยุดการฆ่าไอ้ตรงนี้มันต้องตายกันไปชุดเดึงก็ตายกันไปพอสมควรนะ่มันโลกมันแก้ไม่ได้ถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องข้อนี้ได้ในโลกจะสงบลงไปเยอะอะไรจะดีๆขึ้นเยอะในโลกนี้นะเราจะลืมมาถ้าเรายุติการฆ่ากันหรือว่า ไม่ฆ่าพร่ำเพรื่อเช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์เล็กไม่ฆ่าสัตว์ในขณะวางไขไม่ฆ่าสัตว์ที่กำลังมีไข่อยู่ในท้องอะไรต่างๆหรือตัดต้นไม้ก็ไม่ตัดต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นแต่อายุมันน้อยอะไรต่างๆเนี่ยคือสรุปว่ามันจะช่วยอะไรได้เยอะนะแต่โลกโราคนผ่านก็เยอะเหมือนกัน เพราะการค่าเนี่ยบางที่มันค่าจะสารพัดเลยเรื่องคนค่าไม่คนค่าบางทีคน ด, ดีคนหนึ่งเนี่ยถูกคนผ่านราคาไม่กี่สลึงราคาเป็นเรื่องที่น่าเสดายเราลองดูว่ามาตามคันธีอับราฮัมลินคอนจอร์เด็บเคนเนดีและอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่พระเยซูเนี่ยคือคนที่ค่าท่านไม่ค่อยมีราคาเลยแต่พวกท่านเหล่านี้เป็นคนที่มีราคาเหลือเกิน เป็นทุนเรียกว่าจำนวนปัจจุบันเรียกว่าทุนทางสังคมนี่สูงมากๆแต่ว่าคนเหลืเป็นคนค่าอันนี้คือคนผ่านเนะหมดูข้อเดียวก็ผ่านลนะอันนี้ค่าเองใช้คนอื่นค่ายกย่องสรรเสริญผู้ค่าแล้วก็ชื่นชมต่อผู้ค่าแล้วก็สิ่งที่ได้มาได้การค่า ตัวนี้ที่วัดสอบไม่ผ่านเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเรามองในระดับความถูกต้องจ ร, งจริงๆเนี่ยการฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดผิดทั้งนั้นผิดกฎหมายกับผิดศีลธรรมบางทีไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมคล้ายๆวิสามันฆาตกรรมหรือว่าการรบทับจับศึกนี่ที่จริงก็คือบาปได้แก่ในข้อนีอ้ท่านอากิมออกมาขยมเป็นนักปราชบเบอร์เซีย แต่เขียนไว้ในคำพีรุบปาปยญาตินะ่ะไม่คงบทหนึ่งคืออ่านปั๊บแล้วจำได้เขาเรียกว่าเป็นมันให้รถทางวันนะคันดีคือรถรถทึ่งทึ่งฉงมนแล้วก็ขำ่ขำรถข่ๆ ท่านบอกว่ามหมาจนเชี่ยวมหายวมหาโจรเที่ยวปล้นฆ่ามหมาชน่าวบาทราชทันปลนปราบป้องมาราชญาิประหนพะจนมหาราชละพ่อชมชการาชเดช ก, ก้องเกียรติกระนั้นขันหมายขันมันเป็นเรื่องน่าขำแต่นั้นคือโลกและยังอยู่ในกระแสของกุศล การลักทรัพย์ก็คือลักเอกบ้างใช้บุคคลอื่นลักบ้างยกจ่องสันเสริญสนับสนุนผู้ลักบ้างแล้วก็ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ได้มาโดยการลักโดยการขโมยโดยการขอรับชันน้วยอะไรก็ไม่รู้พอละเมิดทางเพศก็เหมือนกันนะละเมิดเองนะสนับสนุนคนอื่นให้ละเมิดแล้วก็ยกจ้องสัเสริญคนที่ ประพฤติในลักษณะ น, น, นั้นแล้วก็มีความพอใจชอบใจในคนอย่างนั้นพวกเหล่านี้ก็กำเริเสืบสารประพฤติปฏิบัติตนเป็นภัยสังคมอย่างนั้นแล้วก็พูดเท็จเองหรือใช้คนอื่นพูดเทศเวลาเนี้คือคล้ายๆกับคนคนไม่รู้สึกเป็นเรื่องว่าเอะทาทำไมอ่ะ มีความจำเป็นอะไรต้องทานย่งนังไงเช่นว่าที่บ้านมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วลูกไปรับโทรศัพท์แล้วก็ลูกบอกว่าคนนั้นคนนี้ต้องการพูดด้วยเราไม่ต้องการจะพูดบอกให้ลูกบอกว่าบอกว่าพ่อไม่อยู่ทำไมต้องให้ลูกโกรธเรานั้นเปนบานะคือเราพูดได้เมื่อเราไม่ต้องการจะพูดก็ต้องกล้า บอกยังไม่ต้องการจะพูดถ้าเราทำงานเราก็อ้างว่ายังไม่ว่างก็ได้แต่ไม่ควรจะไปส่งเสริมให้เด็กไปไปโกหกแล้วในสุดเด็กจะไม่รู้รู้สึกว่าโกหกมันเสียหายอะไรเพราะฉนั้นมะุสาวาทเรืเรเออ่อนี้กระแสแรงไหนเราสังเกตว่าเจ็ดข้อเนี่ยเจ็ดข้อนี่จะแรงมากในสังคมเนี่ย นะพูดสอดเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกเองให้คนอื่นยุยงแล้วก็ยกย่องสันเสรินคนที่สร้างความแตกแยกชื่นชมกับคนที่สร้างความแตกแยกแล้วก็พอจะยินดีที่ได้เห็นเขาแตกแยกกันใจไม่สงบทั้งนั้นรือเรื่องเรล่านี้บางทีเราจะเห็นว่าสังคมไม่มีกฎเกณฑ์อะไร คนที่สร้างความปันป่วนขึ้นในบ้านในเมืองสร้างความแตกแย ก, กขึ้นในบ้านในเมืองเกาะกลุ่มกันได้กลายเป็นวีรชนยกย่องกันเองเชียร์กันเองเกาะกลุ่มกันเองเมื่ออยู่ในกระแสะของอกุศลแล้วก็พูดคําหยาบเองสนับสนุนคือพูดคำหยาบยกย่องสันเสริญคนที่พูดคำหยาบแล้วก็ยินดีต่อคําหยา ยินดีจะยินในฝังคำหยาบแล้วก็พูดเหลวไรเองนะสนับสนุนให้คนอื่นพูดเหลวไหลแล้วก็ยกย่องสรรเสริญคนที่พูดเหลวไหลแล้วมีความพอใจชอบใจในคําเหลวไหลทั้งหลายอันนี้แก้ยากนะฮะเป็นธุรกิจมหาศาลนะลองไปหาอันนั้นมาฟังก็ได้อะไรเทพ ที่ดีตลกอะไรต่างๆเห็นมีโฆษณาเยอะถามแล้วกำหนดดูแล้วหาคำตอบสุดท้ายได้่าเอ๊ะเราได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่รายสาระมุ่งตลกโคาเป็นเกณฑ์นะฮะมุ่งตลกโคาเป็นเกณฑ์สมัยมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเรามีการเทศคู่เยอะสมัยนั้นเขานิยมเทศคู่ เทศกันเยอะบางทีเทศตัง 6, ้งหกเจ็ดช่วโมงเทศกันทั้งเจ็ดธรรมาก็เคยเนยนะฮะที่โยมก็ชอบพระเทศตลกูอหมอทายมต้องการเทศตลกลก็ก็ไปเชิญตลกคือเราเป็นพระเนี่ยเราไปขึ้นนั่งธรรมาภเนี่ยเราทำหน้าที่ในพระคล้ายๆกับปารมาพิไทยของพระพุทธเจ้านะเราต้องเคารพธรรมะเคารพ สถานที่ที่เรานั่งเคารพคนฟังเราไปตเตล่ดไม่ได้หรือคนไม่รู้จักไม่รู้จักการะเทศะอย่างคราหนึ่งก็เชิญไปบรรยายอบรมที่ที่ทำมเนียรัฐบาลนะฮะตึกสันติมิตรีแล้วก็มีผู้ใหญ่เราไม่นึกว่าท่านท่านจะมาพูดอย่างนั้นท่านมากกะซิปนะฮะบอกว่า จะคุณพูดตลกตลกหน่อยอคนก็ชอบบอกเอทยโต้องการฟังตลกมันต้องไม่เชิญ น, นั่นเดนดูดีอะไรดุเท่ทโพงามอะไรนั่นนิมน์พระไม่พูดตลกไม่ได้หรอกแต่นั้นก็แสดงเห็นว่าเรายินดีในอกศนุศลทีนี้ในด้านใจเนี่ยคือโลภอยากได้ของของบุคคลอื่น แล้วก็พูดกระตุ้นเตือนให้คนอื่นเขาโลภอยากได้ด้วยเพราะแน่ยตัวเนี้ยมันมันคือถ้าเรามองในคล้ายคล้ายกับเป็นการบันเทิงจะถ้าไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบาปคือการแสดงทั้งหลายเนี่ยให้เราตั้งเกตวะแสดงทั้งหลายเรามีความมารุสุว่าเราให้ความบันเทิงแก่ผู้ดูแต่ถามผู้ดุมีความบันเทิงจริงหรือเปล่า จิตใจก็แปรผันไปตามอารมณ์ที่มีการแสดงไหมก็เคยรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจรู้สึกเสียใจรู้สึกกำหนัดรู้สึกโลภรู้สึกริษยาไปตามบทบาทที่แสดงเป็นบาปคือหมายความว่าใจก็ปกติอยู่เนี่ยเราไปทําให้ใจก็สูญเสียปกติไป มีนักพรหำนำคนหนึ่งก็ยไปถามพระญาอย่างเงี้ยพระญาแสดงให้เห็นว่ามันเป็นบาปเป็นเหตุแห่งนรกไม่จะเป็นเหตุแห่งสวรรค์เพราะในการการที่ที่เราคิดอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งเสริมคนหนึ่งเขาคิดด้วยเนี่ยมันเป็นการแพร่เชื้อบาปให้กระจายออกไปแล้วก็พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นแล้วก็ส่งเสริมให้คนอื่นหาแนวร่วบให้คนอื่นพยาบาทด้วย ก็หมายความว่ามันก็เกิดความาร้อนเป็นการถ่ายทอดมาดกบาปอย่างคล้ายๆหนังจีนกำลังภายในอแล้วตัวเองเห็นผิดจากทานองรองธรรมแล้วพูดจาโน้น้าวจิตใจคนอื่นเห็นผิดจากทํานองครองธรรมด้วยใหเราสังเกตว่าทํานองครองธรรมเวลาปฏิบัติ เ, เราเป็นคนได้เราพูดเนี่ยผู้ฟังเป็นคนได้ ผู้ตามตานองครองธรรมเนี่ยผู้ฟังเป็นคนได้เราได้ประพฤติทมเขาได้รับรู้ธรรมถ้าเขาประพฤติตามเขารับผลประโยชน์จากธรรมะเหล่านั้นลักษณะของคนผ่านก็จะอยู่ในแวดวงกรุงนี้ไม่ว่าเราจะไปดูที่ไหนก็ตามนะหมายความว่าถ้าเอาตรง น, นี้คือมาดเนี่ยมาดจะไปจับจะใช้โบหานอะไรก็ได้จะอยู่ในแวดวงของอกุศลกรรมบุ สิบประการก็าอาจจะพูดว่าเป็นพาลธรรมนะคือธรรมะที่เป็นมาศเป็นเกณฑ์กําหนดความเป็นพานของคนสแสดงออกมาอย่างเดียวก็พานแล้วคนะ่าคนค่าสัตว์เบียนสัตว์อย่างเดียวก็เป็นพาลแล ไปยกย่องสนับสนุนไปยุให้เขาตีกันเนี่ยก็ผ่านแล้วอันนี้คือคืออัปมงคลเนี่ยมันจะตามมาอีกเยอะเลยแต่ละข้อแต่ละข้อลองสังเกตว่าถ้าเราไปทางนั้นมันจะเป็นอัปมงคลอีกเป็นนั้นมากทีนี้ตอนนี้ท่านก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างคนที่ถือว่าเป็นพาน ท่านยกเอาพวกครูทั้งหกครูทั้งหกคือจำนวนอย่างนี้เป็นจำนวนพระอัจฉรอาจารย์ครูทั้งหกนั้นคือปรุรนกัสปะมัคคริโคสารสัญชยัยเบลัทบุตปรปากุทฐกัจจยนะอาชิตย์เกศเกกรรมโพนิโครนาธบุตรพวกนี้มีแนวความคิดในแนวเขาเรียกว่าถือว่าการกระทาไม่เป็นการกระทาถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุ ถือว่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีถ้าที่ตายแล้วเกิดไม่มีก็อยู่ในแบดวงของนี้ทีนี้ถ้าเราพูกอากําหศดเข้าไปจับมันก็ใช่แต่ว่าการเราไปยกตัวคนอย่างนั้นเน่มันไปกระทบคนเพราะการพูด พูดธรรมะเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องความดีของคนเนี่ยพูดคนปัจจุบันได้แต่ถ้าพูดถึงความไม่ดีของคนถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยต้องสมมติเป็นนายกรนายขอหรือว่าเล่านิทานเลยมายกามาลูกหลานเขาไม่ได้อยู่บริเวณนั้นถ้าลูกหลานเขายังอยู่คืออย่าลืมาหลักการสาคัญเนี่ยหลักการสาคัญของพูดนี่คือมีเมตตาวาจา การพูดต้งหมดไม่รู้พูดอะไรแต่คุณต้องมีพื้นฐานเมตตาคุณอาจจะดุเขาก็ได้อาจจะตำหนิเขาก็ได้หรือบางครั้งอาจจะด่าก็ได้เพื่อกำราบไอ้เกิดสานึกไอ้รู้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกบางทีอาจจะต้องด่าเลยแต่เราไม่ได้กลัวะเรามีเมตตาจิตกล่าวผลประโยชน์มันเกิดก็อย่างที่บอกว่าบางทีมันเป็นซุงอะทำยังไงอะถ้าไม่เลื่อยวงเดือนละยายทำไง เออเล็กมันใหญ่อ่ะมันต้องใช้คอ้อนแรงใช้ไฟแรงใช้คอ้อนแรงแล้วก็ทั่งก็ใหญ่ตีก็แรงแต่ถ้าไม่งั้นไม่ใช่ไม่ได้าการฝึกบลูคนก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ว่าเมตตาวาจามันต้องเป็นฐานแต่การกล่าวในลักษณะแกลๆประจานเขานี่มันเป็นการซ้ำเติมทำให้เราขาดหลักของเมตตา นี่ก็เป็นเป็นเป็นจุดที่ที่ต้องจับต้องวิเคราะห์จิตของเราเหมือนกันเวลาสื่อสารอะไรออกไปต้องฟังทงหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีวัุม์ในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี